ปัญญาเป็นสัมมาทิฐิสังโยชน์มันจะแจ้งออกไปเองพื้นฐานมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญา